ทั้งหมดเมื่อกี้เป็นปนามัถาของพระสุมังคลาจารย์ที่ท่านนอบน้อมพระรัตนตรายแล้วพูดถึงวิธีการของท่านว่าท่านจะทําอะไรลงไปบ้างเนี่ยนะทีนี้ต่อไปท่านเริ่มอธิบายคำพยาพิธรรมมัตสังขะในหน้าสิบเจ็ดเนี่ยพูดแบบภาษาเราบอกว่าท่านพูดเรื่องของท่านเลยยังไม่พูดเรื่องคำพีเนี่ยนะท่านพูดเรื่องของท่านว่าท่านจะทําอะไรพอเป็นหน้าสิบแปดท่าน จะวัน น, นา่าคือพัน น, นาความในอภิธรรมัทสังหะว่าท่านอาจารย์คือพระอนุรุธ า, าจารย์นี้เมื่อจะเริ่มประกอบนี้ซึ่งประกอบด้วยนัยยะอันวิจิตอย่างยิ่งเนี่ยนะเอวิจิตกับพิสดา น, นี่ต่างกันไหมคือถ้าพิสดานอาจจะกว้างใหญ่ไพศาลใช่ไหมแต่ถ้าวิจิตนี้ก็คือแบบอะไรที่มันเป็นพับพับเป็นรีบเป็นกรีดเป็นอะไรที่มันรวดลายเยอะๆหน่อยนะะเรียกว่าวิจิตใช่ไหมเนอ่ย วิจิตสินสนศิละปะนะแต่นี้เป็นคำภีร์ที่วิจิตอ่ะนะคือมีนัยยะคําว่านัยยะเช่นะนะถ้าเป็นเรื่องจิตนะั้นมีนัยยะเยอะไหมโลกระเพธาในภูมิเพธาในเวทนาเพธาในนี่นะก็มีในายตั้งเยอะแยะทีนี้ในเนี่ยมีมากมายเหลือเกินไม่ใช่ในเดียวก็เลยเรียกว่านัยยะที่วิจิตนี่นะอันสา ม, มารถ สางชัดคือลัทธิของตนและของคนอื่นคือความรู้คืออภิธรรมเนี่ยนะชำระทิฐิของตัวเองและของคนอื่นได้เช่นคำว่าชำระลัทธิของตนนี่หมายว่าถ้าตัวเองเข้าใจผิดอย่างใดอย่างหนึ่งอาศัยคาสอนเหล่านี้ก็ก็แก้ลัทธิคือความเข้าใจผิดอันนั้นได้ถ้าคนอื่นนะ่ะคนอื่นที่เข้าใจผิดการอธิบายคำเพียรนี้ก็เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ซึ่งให้เกิดความสำเร็จแห่งปัญญาอันปราศจากมนทินด้วยดีทั้งไพยบูรจึงกล่าวคำว่าสัมมาสัมพุทธังนะที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะบวกอตุระเนี่ยนะพอพอแยกสับมาก็เหลือจะเป็นสัมมาสัมพุทังก่อนเพื่อจะแสดงความนอบน้อมพระตาณตรยัยแสดงความย่อข้อความวิธีการแต่งชื่อประกรณ์และประโยชน์ทั้งหลายโดยแท้ คาถาสองบรรทัดเนี่ยนะสัมมาสัมพุท ธ, ธมัตุลังสสะทั ร, รมะคนุตมะังอภิวาธิยะพาสิสังอภิธรรมมัทสังกะหังเนี่ยนะสองบรรทัดนี้โอ้โหอมความไม่เยอะมากานะเยอะอยังไงเยอะก็คือหนึ่งเป็นคาถา ท, าที่บอกว่าบอกถึงท่านน้อมน้อมพระตัตนตรยัยอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองบอกวิธีวิธีบอกเนื้อความที่จะพูดนี่เป็นพูดแบบย่อะนะแล้วบอกวิธีแต่งด้วยบอกวิธีแต่งคัมภีร์ อย่างหนึ่งแล้วก็บอกชื่อประกรณ์เนี่ยนะแล้วก็บอกประโยชน์เนี่ยนะเท่ากับบอกห้าความหมายเลยนะในคาถาสองมันทัดอธิบายว่าจริงอยู่ตรงนี้แปลว่าอธิบายอธิบายว่าในอา ร, รัมพกถานี้ด้วยคำว่าขอถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้พร้อมทั้งพระสัต์ธรรมและหมู่แห่งพระอริยสงฆ์อันสูงสุดนี้ท่านกล่าวการนอบน้อมพระรัตนตรยัยเนี่ยนะ ด้วยคำว่าอภิธรรมมัทธสังคหะนี้ท่านกล่าวว่าความย่อวิธีการแต่งและชื่อประกรณสังคหะนี้แปลว่าย่อเนี่ยนะวิธีการแต่งก็คือคือรวบรวมะนะแล้วก็อภิธรรมัสังขะเลยรวมเป็นชื่อคำพีไปเลยเบ็ดเสร็จพร้อมกันเลยเพราะแสดงความที่อัถาแห่งพระอภิธรรมเหล่านั้นอันปรกรที่รวบรวมขึ้นนี้จะเพิ่งให้สาเร็จ โดยอันแสดงอัฏฐะแห่งพระพิธรรมที่จะพึงรวบรวมไว้ในปรกรณ์นี้ น, นะเรียกว่าเป็นคำพีที่รวบรวมใจความที่ภาษาไทยนิยมใช้คำว่าสาระหมันเถนะรวบรวมสิ่งที่เป็นสาระในพระพิธรรมออกมาเพราะแสดงอาการแห่งการรวบรวมข้อความเป็นหมวดหมวดและเพราะแสดงชื่อตามอัฏฐะ น, นะคำว่าพิธรรมมัทสังกะหะคมภีนี้เป็นคมภีที่แสดงตาม ตามความหมายของอนะเรียกว่าตั้งชื่อตามความหมายเนี่ยนะหรือตั้งชื่อตามอะไรตามเนื้อความเหมอนะอภิธรรมบวกอัฏฐะบวกสังขะใช่ไหมอภิธรรมแปลว่าอภิธรรมปีดกอัฏฐะแปลว่าเนื้อความสังขะคือการรวบรวมเอ่การรวบรวมเนื้อความในพระอภิธรรมปีดกก็เลยบอกทั้งวิธีการด้วยบอกทั้งว่าคัมภีร์นี้ชื่อคัมภีร์นี้ด้วย นะส่วนประโยชน์เนี่ยนะประโยชน์ท่านแสดงไว้ด้วยบทว่าสังหะคำว่าสังคหะหรือรวบรวมเนี่ยนะประกาศถึงประโยชน์ด้วยประโยชน์ยังไงประโยชน์โดยความเป็นบทสา ม, มารถให้สำเร็จประโยชน์เพราะเมื่อมีการรวบรวมอัฏถะในพระพิธรรมไว้เป็นหมวดหมวดอยู่ความเข้าใจโดยรวบรัตซึ่งอัดแห่งพระพิธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะ คือหมายว่าถ้ารวบรวมมาเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างนี้มันก็กําหนดจดจําง่ายนะก็เรียนง่ายสามารถแห่งกิตทั้งหลายมีการเรียนการสอบสวนซึ่งอัฏฐานในอภิธรรมเป็นต้นนั้นเรียนก็เรียนไม่ยากสอบสวนก็สอบสวนไม่ยากจําก็จกําไม่เยอะนี่นะก็เบาหน่อยนะและความสําเร็จแห่งประโยชน์ทั้งหลายในทิฏฐธรรมประโยชน์ในทิฏฐธรรมเป็นยังไงบ้างเมื่อเรียนอภิธรรม ประโยชน์ในทิฏฐธรรมที่เห็นชัดอย่างหนึ่งก็คือการที่เวลาคิดถึงคําสอนกิเลสกลุ่มรุมไหมขนาดนั้นไม่กลุ่มรุมทีนี้ถ้าศึกษาคําสอนเหล่านี้ดีเช่นศึกษาเรื่องมหากุศลดีก็ปรารบมหากุศลมากขึ้นหาเหตุที่จะให้กุศ ล, ลจิตเกิดมากขึ้นถ้าเรียนเรื่องอกุศลก็เห็นโทษเห็นภัยของอกุศลมากขึ้นเจริญกุศลได้มากขึ้นทีนี้การเจริญกุศลในปัจจุบันก็เพื่อประโยชน์ที่จะมีใน สัมปรายภพเนี่ยนะก็คือพบหน้าเนี่ยนะทีนี้ถ้าประโยชน์ในปัจจุบันไม่ละทิง้งประโยชน์ในภพหน้าก็พึงมีแต่ก็มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนใช่ไหเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความสำเร็จประโยชน์ในที่จะรรมสัมปรายภพอันมีความเข้าใจนั้นเป็นมูลจะสำเร็จได้โดยไม่ยากเนี่ยนะ ถ, ถ้าศึกษาอย่างนี้แล้วประโยชน์ทั้งหลายเกิดไม่ยากเนี่ยนะ ในบรรดาเหตุที่กระทำเหล่านั้นพระอาจารย์ทั้งหลายย่อมพนนาประโยชน์แห่งการปนามะปนามะนี่แปลว่าการนอบน้อมเนี่ยนะไม่ใช่ลักษณะประนามแบบภาษาไทยนะภาษาไทยที่บอกว่าไปฉันขอปนามเธอแปลว่าฉันขอไล่แล้วกันนะแต่ปนามะในที่นี้แปลว่าการนอบน้อมนี่คือ นอบน้อมพระรัตนตรายไว้โดยพิสดานเนี่ยมากทีเดียวคือพูดถึงประโยชน์ถามว่าการนอบน้อมพระรัตนตรายนี่ดียังไงเห็นไหมประโยชน์นี่มีเยอะมากถ้าอยากรู้ว่าเยอะยังไงก็ดูในอาจารย์ของพระสุมัลคลาจารย์เรียบเรียงกันแล้วกันที่ภาษารีบุตรเรียบเรียงไว้ในคัมภีร์พระวินัยปิฎกในดีกาพระวินัยเนี่ยนะ ที่ขยายที่พระพุทธโคสาจารย์นอบน้อมพระัตนตรายแล้วภาษารีบุตรมาขยายว่านอบน้อมพระัตนาตรายเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าขณะที่นอบน้อมพระรัตนตรายก็เป็นการเจริญอนุสติถ้าเจริญอนุสติกิเลสก็ไม่กลุ่มรุมอย่างเงี้ยนะก็บอกไว้ไว้หลายวิธีแต่ตรงนี้พระสมังฆาลาจารย์ท่านบอกว่าท่านจะขอเอามาเฉพาะส่วนที่พิเศษนะนะวิเศษกับพิเศษอันเดียวกันว่า ท่านหวังการป้องกันอันตรายนี่นะที่นอบน้อมเนี่ยนอบน้อมเพราะอะไรเพราะต้องการป้องกันอันตรายใส่เกราะซะหน่อยนะป้องกันจะเพิ่งเห็นได้ดังคำที่ท่านอาจารย์ผู้รจนาอัตถคถาทั้งหลายกล่าวไว้ว่าเราผู้มีอันตรายอันอนุภาพแห่งบุญนั้นขจัดแล้วตัสานุภาเวนะหตตันตรายโยเนี่ยนะบอกว่าด้วยอนุภาพบุญที่เกิดจากการนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย ขอให้อันตรายทั้งหลายที่พึงเกิดมีอ่ะอันตรายเหล่านั้นจงหมดไปเพราะบุญที่ได้นอบน้อมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอนุภาพของบุญนี้ไม่ใช่ธรรมดานะแท้จริงการนอบน้อมพระตนตรายว่าโดยอัฏฐะได้แก่ว่าโดยใจความจริงๆคือกุศลกุศลเจตนาที่ยังการกระทําคือการนอบน้อมให้สําเร็จนะเพราะว่าตัวการนอบน้อมจริงๆหมายถึงกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นนอบน้อม และกุศลเจตานานั้นเป็นเหตุให้เสวยวิบากในทิฏฐธรรมแกผู้แก่บุคคลผู้ไหว้พระรัตนตรยัยซึ่งควรไหายเพราะความถึงพร้อมด้วยเขตและอัธยาศัยนนการนอมน้อมพระรัตนตรัยให้ผลได้ในชาตินี้เลยเจตานานี้นะทิฏฐธรรมเวทนียกรรมคือเจตานาดวงที่หนึ่งที่เกิดจากการนอมน้อมพระรัตนตรัยให้ผลในชาตินี้ถามว่าทำไมจึงสามารถให้ผลได้ในชาตินี้เพราะ สิ่งที่นอบน้อมเนี่ยเป็นนาบุญจริงๆนะเป็นเขตจริงๆคําว่าเขตเนี่ยแปลว่า น, นาเป็นนาบุญอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะในบรรดาผู้ที่เลิศทั้งหลายเนี่ยไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเลิศเกินกว่าพระผู้เทอเจ้าในบรรดาธรรมะทั้งหลายก็ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับคําสอนในบรรดาหมู่คณะทั้งหลายก็ไม่มีใครดีเท่ากับพระสงฆ์เนี่ยนะพระพูดพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นนาบุญจริงๆและ อันนี้ด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งคือเคารพในนาบุญเหตุผลอย่างที่สองเพราะอัธยาศัยเนี่ยนะเป็นอัธยาศัยที่เป็นกุศลเนี่ยนะเป็นอาศยะที่เป็นกุศลเป็นอัธยาศัยที่ดีและกุศลอย่างนี้ป้องกันอุปปีและกะกรรมและอุปเฉตกะกรรมอันจะทำอันตรายแก่ความสืบต่อแห่งวิบากอันกรรมให้เกิดด้วยสามารถ แห่งอันสนับสนุนแก่กรรมอันเป็นนิมิตแห่งสมบัติตามที่ตนได้แล้วให้สำเร็จความไม่เป็นไปแห่งอันตรายมีโรคเป็นต้นซึ่งมีกรรมเหล่านั้นเป็นเหตุอันจะ ก, กางกั้นเสียซึ่งความสำเร็จแห่งประโยชน์ตามที่ประสงค์เนีย่ยนะเพราะฉะนั้นการปรนา ม, มักระถาะคือการนอบน้อมพระรัตนตรัยในคาถาเริ่มประกรก็เพื่อให้ประกรณตามที่ท่านได้เริ่มไว้สาเร็จ น, นะ คือเสร็จสิ้นไปโดยปราศจากอันตรายและเพื่อความสําเร็จกิจทั้งหลายมีการเรียนและการทรงจําเป็นต้นแก่ผู้ศึกษาทั้งหลายโดยหาอันตรายไม่ได้เพราะความปฏิบัติอันมีการไหว้อันเป็นไปในเบื้องต้นเนี่ยนะที่เป็นสำนวนไทยๆว่าทําอะไรทําไมคนไทยนิยมตั้งหนะ้าโมก่อนนะไรเง้ยอันนะั้นนี่ก็เหตุผลเดียวกันนะ่ะนะว่าทำอะไรคนไทยจะตั้งหน้าโมก่อนนัไรเง้ยเถอะ โดยที่สุดแม้จะเส้นผีนะบางแห่งยังตั้งนะโมตสสะพระกวะตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธะก่อนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าการนอบน้นอมพระรัตนตรัยนะว่าโดยรวมๆก่อนหนึ่งเจตนานั้นสามารถให้ผลในชาตินี้อย่างที่สองถึงเคยทำบาปเอาไว้แต่ก่อนนนะนะบาปเหล่านั้นสามารถมาเป็นอุปปีรักกรรมและอุปเฉทักรกรรมอุปปีะระกกรรมก็คือมาเบียดเบียน อุปค า, าตกรรมก็คือมาตัดรอนบาปที่ทําเหตุเหล่านั้นไว้เนี่ยพอมานอบน้อมพระรัตนตรัยซึ่งเป็นนาบุญอย่างนี้นะก็บุญอันนี้ไปเบียดบาปเหล่านั้นออกไปนะไม่ให้บาปเหล่านั้นให้ผลเหมนกันและอีกประสงค์หนึ่งก็เพื่อทำพีนี้จะได้สําเร็จการนอบน้อมพระรัตนตรยนัยเนี่ยนะ ด้วยจิตที่เป็นกุศลนะกุศลเหล่านี้เป็นอุปนิสัยให้ให้ปกปักรักษาแล้วก็ทำงานสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก็เพื่อประโยชน์ของนักเรียนด้วยเนี่ยนะนักเรียนที่ที่เรียนคำพีนี้แล้วก็จะได้ไม่มีอันตรายเนี่ยน ะ, ะจะได้เรียนจะได้ทรงจำได้นะเรียนก็คือมันไม่มีอะไรมากวนนักจำก็สามารถเอาไปจาต่อไปได้อะไรได้เนี่ยนะ คือเช่นสมมติว่าจเจริญสมถะเนี่ยมีอันตรายอันตรายเนี่ยได้ยินบ่อยๆไหนะน ะ, อ, ะอันตรายที่เกิดนี้หมายถึงว่าอันตรายอย่างหนึ่งพูดถึงผู้เรียบเรียงคัมภีก่อนใช่ไหมผู้เรียบเรียงคัมภีร์นั้นเนี่ยถ้ามีอันตรายอย่างหนึ่งเรียบเรียงคัมภีร์ไม่เสร็จเช่นพอเรียบเรียงไปหน่อยก็ป่วยแล้วเช่นพอเรียบเรียงไปคัมภียังไม่ทําเสร็จตายซะก่อน ถ้าเรียบเรียงไปหน่อยแล้วป่วยอย่างนี้เรียกว่าอุปปีลักะกรรมพอทํางานไปได้หน่อยก็ตายอย่างนี้เรียกอุปเฉทกะกรรมเนี่ยนะอันนี้ก็ถ้านอบน้อมพระตรัสตรัยบุญเหล่านั้นมาช่วยเอาไว้ไม่ให้ป่วยอย่างนั้นนะแต่ถ้ามันหนักจริงๆก็ก็กรรมไหนจะไปช่วยได้ล่ะ <c oughs> คือกุศลไหนก็ช่วยไม่ได้เะงั้นเดี๋เ <c oughs> จริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์เสร็จปรินิพานพอดีอันนะขนาดระดับนั้นยังยั ง, ย, งยังอุ้มให้มีชีวิตต่อไปได้แต่อันนี้พูดถึงไอ้เหตุผลธรรมดาทั่วทั่วไปก่อนเนี่ยนะ และอย่างหนึ่งถ้าการนอบน้อมพระรัตนตรัยอันนี้ยด้วยบุญอันนั้นนะช่วยทําให้ทํางานสําเร็จเนี่ยนะนะและอย่างหนึ่งก็ประโยชน์แก่ผู้เรียนด้วยเนี่ยนะก็จะผู้เรียนคัมภีร์เหล่านี้ก็จะได้ไม่มีอันตรายด้วยอนุภาพแห่งบุญช่วยปกปักรักษาเดี๋ยวไม่งั้นพอเรียนไปหน่อยก็ป่วยแล้วเรียนไปหน่อยเนี่ยนะเดี๋ยวก็มีปัญหาจนต้องเลิกเรียนอย่างนั้นเนี่ยนะ ถ้าเรียนธรรมะบ้านะก็แสดงว่ามันเกือบจะบ้าอยู่แล้วล่ะปกติกำหน้ามีอีกไม่นานคงจะบ้าอยู่แล้วล่ะถ้าเรียนธรรมะย่างบ้ากันนะเนี่ยนะอืมก็บอกว่าขนาดว่าบอก็คนพูดนั่นแหละเปอร์เซ็นต์สูงเลยล่ะเพราะปกติคนดีๆเขาจะไม่พูดแบบนั้นอยู่แล้วทั้งคนที่พูดอันนั้นออกมาเนี่ยแสดงว่าหนักหนาแล้วนะ ต้องหาจิตแพทย์บำบัดบ้างแล้วว่าทำไมจึงเพียนขนาดนั้นเป็นอะไรด้ถ้าจะให้ดีให้เรียนมหาเป็นมหาเนี่ยมห า, ะมห า, มหาะอะไร น, นดีให้ให้เรียนเป็นหก็มเคอก็รู้อยู่แล้วว่าคำพูดนี่นะก็ <c oughs> คือคนพูดเนี่ยเกือบจะบ้าอยู่แล้วพาะอะไรบอกว่าอยากจะดีให้เรียนมหาเนี่ยอกจะบ้าเรียนอภิธรรมเลนะคาพูดอันนั้นเนี่ยเพราะคนเต็มเขาไม่พูดเด็ดขาด เนี่ยนะคนที่มีสติสัมปชัญญะดีๆรู้บุญรู้บาปดีนะเขาไม่พูดแต่๋ยนะที่พูดเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยเต็มเลยในขณนะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เข้าบ้าอยู่แล้วเราเอาคําของคนบ้ามาคิดตามเนี่ยเราก็มีติดเชื้อมาแล้วนะจะได้เชื้อไข่อันนี้มาแล้วเนี่ยนั่นแหละถ้าเราคิดเนี่ยเราก็มีส่วนนะั้นนะติดอุปนิสัยอันนั้นมาแล้วท่องเสพอัธยาสัยคนไม่ดีมาแล้วเนี่ยนอะืม คือพวกนี้เป็นคําที่เรียกว่าคําเฉือนคำที่เกิดจากมิจฉาวาจาเท่านั้นไมนมีอะไรหรอกนั่นนะเป็นคําที่ไม่ได้เกิดจากคําสอนนะอย่าเอาไปคิดตามไม่มีประโยชน์นั่นนะคำนี่เราต้องแยกแยะว่าวาจาไหนเป็นวาจาสุภาษิตวาจาไหนเป็นทุพภาษิตตรงนี้ต้องแยกให้ได้ถ้าแยกไม่ได้นะไปคิดตามทุกคําไปหมดเนี้ยเดยกก็ป่วยหมดอ่ะนะป่วยทางความคิดและแยกเลย ไปนะว่าก็การกล่าวความยอ่อเพราะความที่คัมภีมีความยอ่อปรากฏแล้วนั่นแหละอันวินยูชนจะพึงปฏิบัติด้วยสา ม, มาแห่งกิจทั้งหลายมีการเรียนเป็นต้นเนี่ยนะคือถ้าย่อๆหน่อยก็จําง่ายแบบนั้นเน่ยนะเรียนก็ง่ายจําก็เรียนง่ายนี่หมายว่ามันจบเร็วหน่อยนะ จำก็ง่ายสาธยายก็ง่ายทวนก็นง่ายอะไรก็ง่ายเหมือนกันหนังสือถ้าเล่มเล็กๆหน่อยพกไปไหนก็สะดวกหน่อยถ้าเล่มโ ต, โ ต, โตนี่ยยกเราไม่ค่อยไว้อยู่แล้วเนี่ยก็พกไม่ค่อยสะดวกไอ้เหตุผลที่เขาทาหนังสือเล่มเล็กๆ ก, ก็ด้วยเหตุผลเหล่านั้นนี้ก็ลักษณะเดียวกันถ้ารวบรวมมาเอาแต่เนื้อหาที่เป็นสาระนะท่องก็ไม่ยากจกํ า, าก็ไม่ยากว่างๆสาธยายก็ไม่ยากจะบอกแนะนําคนอื่นในเวลาที่จํากัดข้อพอเป็นไปได้เงี้ยนะต่อไป การแสดงวิธีการแต่งและประโยชน์ก็เพื่อให้นักศึกษาทั้งหลายเกิดอุตสาหะโดยชอบนะจะได้มีวิริยะเนี่ยนะสัมมารประธานก็จะเกิดขึ้นนะคุณวิลาวอุตสาหะคือสัมมารประธานก็จะได้เกิดขึ้นการกล่าวชื่อก็เพื่อสะดวกแต่การเรียกเดี๋ยวไปถามกันเอาไปเรียนอะไรมาก็จะได้บอกว่าเรียนอภิธรรมมัตสังหะก็บอกชื่อง่ายนะคือรู้ชื่อก็เพื่อประโยชน์อย่างนี้แหละอัตถะ คำว่าอัฏฐะเนี่ยเป็นอัฏฐะรวมเนื้อความนะนะอัฏฐะคือการรวบรวมหรือเนื้อหาในคาถาเริ่มประกรณ์นั้นส่วนอัฏฐะที่เรียบเรียงมีความดังต่อไปนี้ท่านก็มาเชื่อมลักษณะการแปลนะคือในคาถาที่พระอนุรุทธาจารย์แต่งเนี่ยเป็นที่เรียกว่าคาถาคือมาประพันธ์ถ้าเป็นไทยเรียกว่าคํากรอนแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ เ, เรียกว่าจุนิยะ คือคือมาเชื่อมแบบภาษาทั่วไปแบบภาษาคำพูดเนี่ยนะว่าข้าพเจ้าขอถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธะผู้หาบุคคลเปรียบม่ได้พร้อมทั้งพระสัทธรรมและหมู่แห่งพระอริยสงฆ์อันสูงสุดแล้วจักกล่าวประกรณ์ชื่อว่าอภาิธรรมมัตสังหะดังนี้ในคาถานั้นบัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทธะพราอาตา ตรัสรู้ดียิ่งซึ่งธรรมะทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองตรัสรู้ดียิ่งซึ่งธรรมะทั้งปวงธรรมะทั้งปวงนี่แบ่งออกเป็นหลายในนะแต่ในที่ท่านนิยมมากเป็นพิเศษคืออภินญยยธรรมปริญัยยธรรมภาเวตาปธรรมเป็นต้นธรรมะเหล่านี้ท่านนิยมมากและการตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรัสรู้แล้วคือทรงรู้ทั่วนะรู้ทั่วถึงซึ่งธรรมชาติแม้ทั้งสิน้นอันต่างด้วยสังคตะและอสังคตะด้วยสามารถแห่งการแทงตลอดซึ่งลักษณะพร้อมทั้งกิจตามความเป็นจริงด้วยพระองค์เองด้วยสยามผู้ยานอันเกิดดีแล้วแต่พระบารมีที่ทรงอบรมสังสมมาแล้วด้วยพระองค์เองข้อนี้สมดังพระดำรับที่ตรัสว่า เรารู้ยิ่งด้วยตนเองแล้วจะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นอาจารย์คือท่านับถอยหลังไปนะความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ปรารธนาพอปรารธนาเสร็จทํำไงอีกปรารธนาเสร็จก็บําเพ็ญบารมีบําเพ็ญบารมีก็เป็นเหตุให้แทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะหรือแทงตลอดธรรมะทั้งที่เป็นสังฆตะและอสังฆตาเนี่ยนะทีนี้การแทงตลอดเหล่านั้นเนี่ยแทงตลอดด้วยลําพังด้วย ด้วยตัวเองเนี่ยนะอันนี้พูดถึงคนมีบุญแล้วนะคนไม่มีบุญเอามั่งโน้นต้นโพไม่นั่งดูนั่งเสร็จก็กลิ่นโพตกไม่ว่าผีหลอกอีกยุ่งเลย